ก็ฟังทมกันนะบางทีก็ฟังทำนะจากพระจากครูบาอาจารย์นะบางทีก็ฟังทมจากตัวเองนั่นแหละบางทีสังเกตไหมบางทีจิดใจเนะาะนี่มันเหมือนมันมีตัว หนึ่งที่มันอยู่ข้างในแล้วมันก็คิดนั่นคิดนี่เนาะนะคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างนะคิดมีสาระบ้างนะคิดไม่มีสาระบ้างนะนะมันพูดนะ่ะอยู่ข้างในนะมันรู้สึกอยู่ข้างในนะหนะ้าที่เราคือคือสังเกตมันสังเกตมันนะให้ใจ ใ, ใจที่สังเกตให้ใจที่รู้ที่เห็นมันเนี่ยให้มันเป็นกลางนะไม่ว่า <c oughs> สิ่งที่มันคิดสึงที่มันรู้สึกนะอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ก็ดูมันนะอย่างที่มันเป็นนะั่นแหละไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปพยายามจะต้องไปจัดการมันให้ให้ดีหรือว่า ให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนาะให้ตัวเนี้ยแหละนะคือจะเรียกว่าเป็นตัวตัณหาก็ได้ตัวตัณหาคือความความทยานอยากนะหรือความที่เราต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใจนะ มันเกิดอะไรขึ้นมามันเป็นอะไรขึ้นมานั่นแหละนั่นคือมันถูกต้องของมันแล้วมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นของมันแล้วความอยากที่อยากจะให้มันอยู่นานๆให้เกิดบ่อยๆหรือว่าความไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันอยู่อันนี้นีคือตัหา ซึ่งนักภาวนาเราต้องต้องฝึกให้รู้ทันตัวนี้แหละหนะหรือจะพูดง่างยๆอีกอย่างนึงคือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มาให้เรารู้นะเป็นสิ่งที่แค่ถูกรู้นะอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นมาเนะี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้นะคือ อาการของกายอาการของใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยแหละคือสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะถูกสังเกตนะแต่ตัวสําคัญกว่าจริงๆนะคือตัวรู้ตัวรู้ตัวเนี้ยแหละนะมันรู้ด้วยความเป็นกลางรู้ด้วยความตั้งมั่นรู้ด้วยความไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปจัดการหรือเปล่าน เราจะรู้ตัวว่าเราภาวนาแล้วเออมันมันถูกต้องมันก้าวหน้าอะไรยังไงเนี่ยมันดูที่ตัวรู้เนี่ยแหละนะดูว่าไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยแหละมันรู้ด้วยด้วยสภาวะแบบไหน อ, อมันไม่เกี่ยวกับว่านะสิ่งที่มันถูกรู้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันดีหรือไม่ดีพุ้งมากหรือพุ่งน้อยนะ สุกมากหรือสุกน้อยสงบหรือไม่สงบนะไอตัวนั้นมาเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถุกรู้นะแต่เนะี่ยความก้าวหน้าของการภาวนานะหรือว่านะสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วมันถูกต้องแล้วหรือยังเนะี่ยคือตัวรูนะ้คือการรู้นะรู้ด้วยความเป็นกลางหรือเปล่านะ อย่ที่ครูบาอาจารย์สายเราจะพูดว่าคาว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะไอ้ตัวเนี้ยสําคัญนิดสดเลยนะเพราะว่ามันคือสภาวะที่เราเพียงแค่รู้มันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันจะหายก็เรื่องของมันมันไม่หายก็เรื่องของมันนะอ่านะอย่างอาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายนะอนะเป็นความง่วง เป็นเวทนาเจ็บปวดเมื่อยนะเป็นความทุกข์นะแล้วก็กําหนดรู้มันนะอย่าที่มันเป็นนั่นแหละระวังไออาการคอยรุ่นนะอย่างวิธีเรานั่งนานๆ น, นะนะมานั่งนานๆแล้วก็บางทีมันก็ต้องดูดีๆนะอย่างเรานั่งเพื่อที่เราจะดูเวทนา หรืเรานั่งเพื่ออยากจะชนะเวทนาเลยนะถ้าเรานั่งเพื่อดูเวทนานะอืมอันเนี้ยมันถูกนะแต่ถ้านั่งเพื่ออยากจะชนะเวทนานะ อ, อหรือลุ้วนว่าเมื่อไหร่นะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเวทนาจะมากขึ้นหรือเวทนาจะน้อยลงหน้านะเมื่ อ, อไมันจะง่วง แต่ดูมันนะเมื่อไรมันจะหายง่วง เ, เราก็จะดูมัน่ลยนะคืออย่าไปบัญชีมันคือทําให้จิตของเรามันมันไม่อยู่มันไม่อยู่ที่ฐานนะมันไม่อยู่ที่ใจข้างในจริงๆนะมันไปอยู่กับอารมณ์มันไปอยู่กับความรู้สึกข้างนอกที่เราไปเราส่งจิตออกไปหาเขาไปรุนเขาไป แทรกแทงเขาเนี่ยจิตที่เป็นการจิตที่ตั้งมั่นเน่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันอยู่ที่ฐานเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ะมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นนอกฐานมันเหมือนน้ํากับน้ำมันที่มันแยกกันอยู่แต่มันก็สืบเนื่องกันเหมือนั่นแหละนะแต่มันอยู่คนละคนละชั้นกันคนละส่วนกัน ตัวรู้เนี่ยอย่าเข้าไปรู้อย่าเข้าไปรู้ในในกายในเวทนาในจิตในอาการต่างๆธรรมะก็ไ้แต่อย่าเข้าไปดูข้างในเหมือนเราจะดูปลานะ่ยเราไม่ต้องไปดำน้ำดูไม่ต้องไปดำน้ำดูปลาข้างในเรานั่งอยู่บน ชายฝั่งอยู่บนสะพานนะดูปลาอยู่ข้างบนเราจะเห็นปลามันแหวกว่ายหรือไม่เห็นปลาก็ไม่เป็นไรเราก็นั่งดูอยู่ตรงนั้นนแหละนะเหมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนอาการที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็มีอาการของกายนะเป็นอาการที่เราคอยดูมันเหมือนกันให้ดูนะให้ดูนะอยาเข้าไปอยู่หลวพ่อเห็นจะพูด ให้รู้ให้เห็นนะอย่าเข้าไปเป็นนะคืออาการที่มันากายเคลื่อนไหวนะก็ไม่ใช่ว่าเราเคลื่อนไหวนะเราเห็นกายมันเคลื่อนไหวนะเห็นความปวดความเมื่อยความหิวความร้อนความหนาวนะนเป็นอาการนะเราเห็นนะไม่ใช่ว่าเราเป็นนะ Bayern. เห็นมันร้อนเห็นมันหิวเห็นมันเมื่อยเห็นมันหนาวนะจิตก็เหมือนกันนะ หรือเวทนาก็เหมือนกันนะเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันคิดเห็นมันโกรธเห็นมันโลภเห็นมันหลงเห็นมันสงบนเห็นมันไม่สงบเห็นมันรักเห็นมันช่างเห็นมันบางทีก็เห็นมันสงสาระก็ดูดูอาการที่มันแสดงให้เห็นเห็นมันสงสัยเห็นมันไม่แน่ใจนะ เนะี่ยเราก็เห็นอ๋อมันเป็นส่วนหนึ่งอาการพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งตัวสติที่รู้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งรู้อืตัวนี้แหละเราก็ดูว่ามันรู้ด้วยความเป็นกลางไหมรู้ด้วยความตั้งมั่นไหมรู้ด้วยความออกไปข้างนอกหรือเปล่าเนะี่ยออกไปรู้นะหรือออกไปรุ้นนะออกไปแทรกแซงมันไหมตัวเนี้ย คือสิ่งที่สำคัญมากหรือแม้แต่ตัวรู้ตัวปัญญาตัววิปัสสนูตัวจินตญาณตัวความเข้าใจธรรมะเห็นสภาวะที่มันแปลกใหม่ๆเราก็ต้องรู้ทันมันเหมือนกันนะไม่งั้นมันจะมันจะเข้าไปเหมือนคล้ายๆจิตมันมันตื่นมากเกินไปนะมันก็ไม่ใช่นะ มันไปอพยายามไปมันไปเรียกว่าไปไข้ครวญไปหมกมุ่นอยู่กับสภาวะเยทำมากเกินไปนะมันก็ไม่ใช่นะคือมันมันเข้าไปอินมากไปนะแม้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเออมันเป็นสิ่งที่แปลกมันเป็นสิ่งที่ก็ใช่แหละเป็นธรรมะแต่ให้เรา มันดูแบบดูแบบเล่นๆนะรู้ก็ก็วางไปนะปัญญามันก็ไม่ใช่ว่าการการจะไปใครควรไปจดจำเพื่อจะเอามาพูดเพื่อจะเอามาคิดเอามาอธิบายให้กับคนอื่นดับนะเรารู้แบบเออเห็นมาละเออเห็นมานะเออเนมานะไม่ต้องไปอยากจะไปจำอะไรมันดับนะมันก็ มันจะมีก็มีมันจะหายก็หายะไม่เป็นไรนะมันจะเข้าใจละเอียดหรือไม่เข้าใจละเอียดไม่เป็นไรนะดูมันนะแต่มันอยากจะแล้วแต่มันจะเกิดอะไรให้ดูก็ดูมันไม่เกิดก็ไม่ดูนะไม่ต้องสนใจอะไรมันมากอันนี้แหละนะคืออาการมันเกิดขึ้นเยอะมากนะในแต่ละในแต่ละช่วงแต่ละสภาวะของแต่ละคนมันก็ มันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเนาะมันเกิดไม่เหมือนกันดอกแต่การกระทำนะทาเหมือนกันนะไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรเนี่ยไม่ไม่สำคัญเท่ากับเราดูมันนะด้วยความเป็นการด้วยความตั้งมันม่นไหมนะอันนี้คือสิ่งที่ที่สําคัญมากคือจิตจิตที่เป็นกลางเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้ า, ยาบอกจริงสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ย ที่จริงมันมันก็คู่กันนั่นแหละนะทำไมพระเจ้าสมบอกว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันควรแก่การงานนีก็คือจิตที่มันตั้งมั่นจิตที่มันเป็นกลางเนี่ยควรแก่การงานคืออะไรควรแก่การที่จะนะเกิดมรรคผลนี่หรือเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาเพราะว่าจิตมันเป็นกลางนะมันละสุขเสียได้ มันละทุกเสียได้นะมันละความมิตกวิจารณ์ได้เนะ่ะบีติอะไรต่างๆเนะี่ยมันละไอสิ่งที่มันเป็นเป็นบวกเป็นลบนะได้นะ่ะจิตมันเป็นกลางเนะี่ยมันควรแก่การงานนะควรแก่การบรรลุธรรมคือจิตแบบนี้นะจิตที่มันเข้าไม่ไม่เข้าไปเป็นกับอาการต่างๆจิตที่ไม่ถูกความอยากเข้ามาครอบงํา แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจิตมันจะเป็นกลางตลอดเวลานะบางทีกิเลสตันหามันก็จะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาบงการเนาะให้เรารู้ทันมันเวลาเราภาวนาให้เรารู้ทันไอตัวเนี้แหละเนาะมันมาอยากอยู่แล้วเนาะมันไม่อยากอยู่แล้วเนาะอะไรนะอยากจะจัดการอีกแล้วเนาะบานทีก็อยากจะรู้อีกแล้วเนาะอะไรนะ หรืไม่อยากจะเป็นแบบนี้แล้วน้อนก็ดูมันนะดูบางทีก็ดูตันหานะเป็นอากานแบบนึงเนกันนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตอ้อมันอยากมันไม่อยากนะมันนั่นมันนี่นะเห็นตันหานะเห็นอัตตาเห็นตัวตนนะตัวพอมันเกิดนะความรู้สึกอะไรขึ้นมาดับรู้อะไรนะเกิดความรู้สึกขึ้นมา เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมานะมีตัวมีตนขึ้นมาเนะี่ยเออเราได้ยินเสียงเออมันก็ไม่ใช่แต่สัก์แต่ว่าได้ยินนะได้ยินแล้วก็เกิดเรารู้สึกนะเราชอบเราไม่ชอบนะเกิดเราปรุงแต่งออเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นนะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเห็นอ้อเออ มันสร้างขึ้นมาให้่แล้วเนะาะคล้ายๆเหมือนคล้คคายๆเหมือนเด็กนะอยู่ริมชายทะเลนะครเล่นไม่รู้จะเล่นอะไรก็เอาทรายมาปั้นเป็นรูปนั้นะรูปนี้เล่นนะนี่แหละมันปรุงแต่งนี่นแหละทรายมันก็อยู่ดีๆของมันแบบนั้นแหละนะเราก็อยู่เฉยไม่ได้ก็มาปั้นปรุงแต่งขึ้นนะอย่างงั้นอย่างนี้นะ แต่จริงธรรมชาติถ้าเราดูจริงๆนะธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็จะมากวาดให้มันกลับคืนสู่ความเป็นปกติเนะี่ยเหมือนการปั้นดินปั้นตรายหยุดดิมชายหาเนะนะนี่ยเดี๋ยวสักพักน้ำทะเลก็ซัดกวาดให้มันกลับมาเป็นปกติอารมณ์ความคิดอะไรก็แล้วแต่นะมันนวแต่ไม่เที่ยงซะแล้วแหละนะสงสัย มันก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราไปทำอะไรแบบย้ำนะสิ่งที่มันจะพลาดคือการกระทำนี่แหละนะไปย้ำนะย้ำคิดย้ำทำย้ำสงสัยนะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยอยู่นานนะคือคนเราเนะทำอะไรบ่อยๆทำอะไรมากๆมันก็ไปติดตรงนั้นแหละนะไปคิด มากไปสงสัยมากมันก็ติดเป็นคนคิดมากเป็นคนสงสัยมากนี่แหละแต่ถ้าเราฝึกอีกแบบหนึง่งอ่ะฝึกอ่ะให้รู้สึกตัวฝึกให้รู้เฉยเนี่ฝึกอะไรก็เกิดขึ้นก็ได้ก็ดูมันนีน่จิตมันก็จะมาเคยชินในตัวนี้เ อ, อะไรจะเกิดขึ้นนะก็ดูมัน รู้มันนะ่น่ะเหมือนที่เราเริ่มต้นที่ดูกายเนะี่ยคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็จะไม่ค่อยเห็นกายตัวเองหรอกนะไม่ค่อยสนใจกายนะไปสนใจแต่ข้างนอกนะสนใจแต่ข้างนอกอะไรที่มันจะสนองความสุขความพอใจนะก็ไปสนใจแต่ตรงนั้นนะ่ะแต่เราลองมาสนใจดูกายนะกายเนะี่ยมันมันจะฝึกจิตให้มันเชื่องขึ้นนะ ให้มันคล้ายๆถ้าเป็นงานก็เหมือนว่าให้มันอยู่กับงานตัวเองเลยมุตถถ้าเราทํางานอะไรก็อยู่กับเนื้องานไม่ใช่ว่าทํางานแล้วก็ไปอยากจะไปเล่นอยาจะไปนั่นเป็นนี่นะมันก็ไม่เกิดงานไม่เกิดผลนะกายเนี่เป็นตัวดึงให้ให้จิตมันอยู่อยู่ในฐานอยู่ในงานนะงานภาวนานเนี่ยมันอยู่ที่ฐานกายฐานใจนี่แหละนะ มันดึงให้มันอยู่ที่ฐานก่อนนะดึงอยู่ที่ฐานนะดึงให้มันเกิดความรู้สึกตัวนะเกิดสมาธิขึ้นนะหรือเราพยายามขยันรู้เนี่ยก็เป็นความเพียร น, นะความเพียรขึ้นมานะพอเรากลับมาอยู่ที่ฐานนะเหมือนเราทํางานเราก็ทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อ ย, อยนะมันก็จะเกิดสติปัญญาที่ตรงนั้นัแหละอ๋อมัน มันก็จะเห็นอาจจะอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดอะไรที่มันสุกอะไรที่มันทุกข์นะตอนนั้นแาจารย์สอนเราโอ้อวางใจแบบนี้มันทุกข์โกรธมันทุกข์เห็นไหมเนี่ยอยากมันทุกข์เห็นไหมเห็นนะอืมเนี่ยจะไปแทรกแซงอยู่ไปจัดการมันทุกข์หรือมันซุกเหมือนนะถ้าเราดูดีโอ้มันทุกข์เนี่ยความทุกข์มันสอนเราแล้วนะอืม หรือมันสุขมันสบายนะเราไปพอใจมันเราไปอยู่กับมันอนะ่ะอันนั้นก็ลืมตัวไปแล้วนะเห็นไหมบันะทีความทุกข์นะเห็นง่ายความสุขเห็นยากนะความวุ่นวายความฟุ้งซ่านเห็นง่ายความสงบนะเห็นยากความยากนะนะความยากเนะี่ย ถ้ามันหยากแบบหยาบหยาบก็เห็นง่ายแต่ถ้าหยากแบบละเอียดหยากในเชิงกับกุศลนะบางทีมันก็เห็นยากเหมือนกันนะอืมเราต้องเนี่ยแต่ถ้าเรามีฐานกายเป็นหลักนะใจมันก็อยู่กับมันก็อยู่วนเวียนอยู่ด้วยกันกับกายนั่นแหละนะเพราะมันต้องอาศัยกายเป็นเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่เกิดเหมือนกันนะอ่ เช่นถ้าเราไม่มีตานะมันไม่เห็นรูปนะมันก็ไม่เกิดวิญญาณการรับรู้ไม่เกิดกระบวนการธรรมะต่อในนั้นนะใจก็อาศัยกายนะี่แหละเมื่อเราดูกายนะมันก็จะเห็นใจเนะี่ยโดยธรรมชาติเลยนะดูกายก็ย่อมเห็นจิตนะเห็นตั้งแต่วันแรกที่ดูนั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นปีเป็นเดือนถึงจะเห็น จิตใจมันก็เห็นนั้นแหละนะเห็นมันฟุ้งซ่านเห็นมันสงบไม่สงบเห็นมันคิดน่ะเห็นมันอยากเห็นมันโลภมันกลัวมันหลงนั่นแหละนะภาวนาไปก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตน่ะกายก็เห็นจิตก็เห็นน่ะสงบก็เห็นไม่สงบก็เห็นแล้วดูก็ดูไเหมือนนั่นแหละดูแบบไหนดูแบบดูแบบ สนุกสนุกดูแบบคล้ายๆดูเหมือนผู้ใหญ่ดูเด็กอะแต่อย่าเป็นผู้ใหญ่ขี้บ่นนะ <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแบบเข้าใจโลกเนี่ย <c oughs> ในตอนที่เราเป็นเด็กเราก็เคยเป็นแบบนั่ น, นในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็เคยเป็นแบบนัน่นะในตอนที่เราเพิ่งเรียนจบเพิ่งทํางานนะเราก็เคยเป็นแบบนัน่นะ ในตอนที่เรามีครอบครัวเราก็เคยเป็นแบบนั่นนะเหมือนตอนนี้เราแก่แล้วเข้าใจโลกผ่านชีวิตมาเยอะแล้วนะเห็นออแต่ก่อนเคยหลงสนุกสนานก็น เ, เห็นเออเหมือนเป็นเรื่องเด็กๆนะแต่ก่อนเคยอินกับความรักนะอ๋อเหมือนก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นนะแต่ก่อนก็เคยอินกับการหาเงินหาทองทำการทํางานบ้างการบ้างงา น, านอ๋อ อ่ามันก็เป็นเรื่องของคนตั้งเนื้อตั้งตัวไวทำงานนอพอมีรูปมีนั่นก็อห่วงรูปห่วงร้านออแต่ก่อนเราก็เคยเป็นนะนะดูโลกแบบสายตาของผู้สูงอายุ <c oughs> ของผู้ที่ใกล้จะตายนะเห็นอ๋อมันก็ผ่านมาหมดแล้วชีวิตเรานะมันก็เห็นเป็นแบบนั่นนะ เป็นแบบนั้นแหละโลกมันไม่ก็มีไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นแบบนั้นของมันนะเราก็ดูแบบนั้นดูคลนะ้ายๆแบบนั้นดูสุกมันก็สุกไม่รู้กี่ครั้งกี่โหนแล้วพวกก็ไม่รู้ทุกกี่ครั้งกี่หนแล้วนะคิดก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้ ว, ว, ก, ก, ก, ลลวก็ดูอืลองเฝ้าดูมันนะลองทั้งสติเฝ้าดูมันนะไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะมันจะหายไม่หายจะดีไม่ดีนะ ไม่เป็นไรนะดูด้วยความไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันเน่ยดูด้วยความไม่เป็นไรนะอันนี้ยดูถ้าดูแบบนี้นะใจจะเป็นกลางใจจะสบายนะใจจะเป็นอิสระนะใจก็จะเป็นใจนะใจไม่ได้เป็นอารมณ์นะใจไม่ได้เป็นความอยากนะใจก็เป็นเพียงแค่ใจที่รู้ใจที่เห็น นะแต่ที่ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เป็นอะไรเนี่ยตรง น, นี้สําคัญนะสาคัญมากสําคัญมากนะหรือแม้แต่รู้ก็วางมันเหมือนกันนะอนะรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วนะก็เป็นสภาวะหนึ่งเหมือนกันนะ่ดูแล้วก็วางมันเห็นแล้วก็วางมันเนะข้าใจแล้วก็วางมันนะ รู้ไปที่ปัจจุบันนะรู้ไปที่ปัจจุบันพยายามอย่าอย่าไปเสียเวลาไข่ควรกับสภาวะธรรมอดีตมากนะมันเกิดแบบนี้ขึ้นมานะอย่าไปเสียเวลาไข้ควรเหมืนมอนว่าทำไมมันเกิดเกิดพ่อเหตุอะไรอะไรต่างๆวันนี้นะมันก็ดีใช่ไหมถ้าเราผ่านมันได้มันก็จะมีปัญญาอธิบายได้เยอะแต่บางทีก็เนินช้านะอืม เพรวลาถ้าอธิบายไม่ได้ไม่เข้าใจทั้งหมดทีมันก็ไม่ผ่านมันก็จะติดนะบางคนก็ติดเลยบางคนก็อาจจะผ่านช้านะแต่ถ้าจะง่ายขึ้นก็เนี่ยอย่าไปเสียเวลามันอย่าไปหาเหตุหาผลอย่าไปพยายามหาคำอธิบายอะไรมันมากกับสภาวะาต่างดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละพอเลยอย่าไม่ไม่ต้องไปพยายามคิดหาสาวหา สาเหตุของมันนะอาการมันเกิดแบบเนี้ยอ่ะดูมันเนี่ยดูไปเรื่อยๆนดูไปเรื่อยๆนะแตวมันจะเข้าใจเองนะมันไม่ใช่เข้าใจด้วยการพยายามคิดหาเหตุเนยทําไมมันเกิดแบบนั้นแบบนี้แต่ดูไปเรื่อยมันจะตอบเองอมันจะเข้าใจเองนะอะเ น, นี่ยอันเนี้ยคือดูที่ปัจจุบันอย่าไปค้าควรกับอดีตเนะี่ยไปคิดเนะี่ ที่จริงมันดืมปัจจุบันคืออะไรลืมว่าเราสงสัยลืมว่าเรากําลังเผ่อไปไข้ครวนกับมันนั่นแหละปัจจุบันคือตรนนี้นะถ้าเห็นว่าโออเห็นใจมันสงสัยเห็นใจมันไข้ครวญเห็นใจมันเนี่แหละมันจมอยู่กับอาการนี้อยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากอธิบายให้ได้นะเห็นที่ปัจจุบันเทนแบบนี้เหลือนาคตนมันจะไม่เกิดก็อย่า อย่าไปคอยส่งจิตไปคอยดูมันนะเราเดินก็อยู่กับการเดินนั่นแหละมันไม่คิดก็ไม่คิดไม่เป็นไรนะก็อยู่กับตรงนั้นนแหละนะอย่าไปอ น, อนาคตนะหรือแม้แต่สภาวะที่มันเกิดอะไรแปลกๆเนาะเราก็อย่าทิ้งกายนะนะเกิดความรู้เกิดความสุขเกิดอะไรขึ้นนะที่เป็นสภาวะในเชิงบวกอะไรต่าง มันจะทําให้เราดื่มร่างกายดื่มเนื้อด่มตัวไปได้ ง, ง่ายเหมือนกันนะอย่าลืมฐานกายอย่าดึงมกรรมาฐานหลักของเราเนะี่ยกลับมารู้สึกตัวบ้างกลับมารู้สึกตัวมันจะทําให้จิตมันเรียกว่ากลับมาหาฐานนะกลับมาตั้งมั่นอยู่ตรงนี้บ้างนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้มันอยู่ตลอดนะไม่้มันจะมันจะไม่กล้าไปรู้ไปเห็นอะไรอย่างอื่นเลยนะ แต่บางทีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมานะบางทีเราก็ไปหลงไปเป็นกั น, นเพราะเราดื่มกายนี่แหละนะกับมาหาฐานนะมันจะทำให้เราเห็นว่าโอ้มอกี้เราเข้าไปเป็นมอกี้มันเข้าไปอินมันมากเกินไปเนะาะในวันนี้เนี่ยนะก็ดูแบบนี้นดูสนุกสนุกนะรู้บ้างหลงบ้างไม่เป็นได้นะ เป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างไม่เป็นไรนะเป็นนะเป็นประสบการณ์ทางนั้นเป็นประสบการณ์ทางนั้นนะถ้าเราเห็นบ่อยๆดูบ่อยๆมีประสบการณ์เรื่องนี้บ่อยๆนั่นแหละตรงนั้นแหละมันจะสอนเองตรนนั้นแหละเราจะเข้าใจเองนะไม่มีครูบาอาจารย์ไหนจะสอนเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองสอนตัวเองนะ ไม่มีธรรมะที่ไหนจะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังการสนฒนาธรรมอะไรไม่มีดีเท่ากับตัวเราเองสอนตัวเองเห็นเองเนี่ยแหละเนะดูบ่อยๆนะความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆมาสอนเองเนะี่ยอะไรถูกอะไรผิดอะไรทุกอะไรไม่ทุกอะไรเนี่ย ม, มันจะเห็นเองโอ้มันจะเกิดความออออ <laughs> แล้วตัหัวเราะตัวเองนะหัวเราะตัวเองหือบางทีก็ยิ้มโอ้ยยิ้มหัวเลาะตัวเองนี่แหละนะไม่ใช่หัวเราะคนอื่นที่ไในหลังนะหัวเราะอืมหัวเราะเออกิเลสที่มันหลงนะหัวเราะแบบหลงไปแล้ะช่างมันน่ะบางทีก็ยิ้มนะเห็นคนอื่นเขาหลงก็ยิ้มม่โกรธเขาหลอกนะยิ้มแล้วก็เคยหลงแบบนั่นนะ แล้วก็เคยเป็นแบบนั่นก็เคยเป็นเหมือนกันะก็ดูมันแบบเนี้ดูมันแบบคนแก่ๆนะพยายามทําตัวแบบเออใจที่เข้าใจโลกเข้าใจคนนะเข้าใจเออธรรมดานะนั่นแหละคือมันแบบอมยิ้มน้อยๆหัวเราะเบาๆนั่นเอเข้าใจมันก็เป็นแบบนั้นของมันนั่นแหละนะ อย่าไปเครียดมากอย่าไปจริงจังมากนะมันไม่มีอย่าไปทำให้มันทุกข์มันทุกข์อยู่แล้วแหละนะกายใจมันทุกข์อยู่แล้วนะอย่าไปเพิ่มความทุกข์ให้กับมันนะนอกก็ทำไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆนะเห็นอะไรแล้วก็วางนะดูด้วยความเป็นกลางดูด้วยความตั้งมั่นนะนี่แหละคือหลักสาคัญในการภาวนา